เรื่องแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอบหนุยพรสรุขสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความพาสุขทุกประการจึงมังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจไฝ่ในธรรม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 ประสาทอยู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ชาวพุทธจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากยังไม่รู้มันก็ไม่ตื่นแล้วก็จะเบิกบานแจ่มใสได้อย่างไรถ้าท่านลให้ลองคิดดูเมื่อพูดถึงคําว่าเป็นดินธรรมเป็นดินทองเราก็จะต้องมารู้จักคำคำนี้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเข้าไปเกี่ยวข้องกับคํานี้ว่าคําว่าเป็นดินธรรมเป็นดินทองนี้คืออะไรและทําไม จึงต้องใช้คำว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและเราจะจับแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี้มาเพื่ออะไรและจะจับแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี้ให้เกิดมีขึ้นมาได้โดยวิธีใด <c oughs> ขอท่านนังไลลองฟังดูก็แล้วกันว่าเราจะพูดกันในเรื่องนี้ให้มารู้ว่าอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใด <c oughs> อาจมารู้สึกเป็นสิริมงคลเพียงแต่ได้ยินคาว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง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 ออกจากวัดตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดเมื่อออกพรรษาวันที่ยี่6้ายี่หกยี่เจ็ดก็พาพระนมเนี่ น, น้อยอย่างเติกออกจากวัดเพื่อที่เราเรียกทุกวันนี้ว่าออกเดินทุดงความจริงธุดงนั้นไม่ต้องเดินดอกอยู่ในวัดนี่ก็สมาทานธุดงยิ่งดีกว่าเดินแต่ที่เดินนั้นอาตมาไ ม, ไม่ไม่เรียกว่าเดินทุ ด, ดงเรียกว่าธรรมจาริกคือจาริกไปเพื่อการ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 คำใหม่ๆนซ้อมรบกับกีเวไม่ใช่อะไรหรอกพาผ่านเนรออกอดออกคนออกพรรษาแล้วมันมีจังงานกระถิ่นมีจังงานรอยกระทงทุกหมู่บ้านเสียงขับเสียงปิ่นเสียงแขนเสียงซอเสียงซึ่งเสียงมอร้องมอรำเสียหนังเสียงละครสตริงคอมโบคอนเสิร์ตลอดกระทั่งดิสโก้เทคตาบ้านนอกเกิดขึ้นเดือนสิเดือนสิบสองลมเหนือร่องม่านฟ้าผ่องออกมา แม้ในงัวควายมันก็คึกค่นองเสียงวิหกนกตาตีปีกราร้องสนุกสนานหนุ่มสาวก็ร้องรำทําเพลงสนุกสนานกันพระสงฆ์องค์เจ้าพระนมเนรน้อยก็หันรีหันขวางอยากจะสึศเพราะฉะนั้นก็เลยพาออกซ้อมรบกับกิเลสพวกนี้แล้วก็ได้สังเกตเดินทางจากอําเภอคํกกาตะก้าจากบ้านแขก ไปเรื่อยๆผ่านวานอนนิวาสเขตอำเภอวานอนผ่านเขตอำเภอพังโคนเขตอำเภอพันนาข้ามไปผ่านเขตอำเภอกุดบักทะลุออกเขตเขาวงเข้าเขตดงหลวงข้ามตปเขตคําเชอีออกนิคมคำสร้อยทะลุออกเสนางคำนิคมเข้าอํานาจเจรตติญประปาธกระทารมที่ทาแสงเพชร จบจากนั้นก็นเดินต่อผ่านอำเภอชนมุมานมากอำเภอดอนตาลเรียบเลาะฝั่งโค้งมามุกดาหารผ่านท่าพนมเรนูนครมานครพนมออมานี่ทาอูเทนสีสงคามเข้าบ้านแพงขึ้นภูงัวเขตอำเภอบึงของหลงจังหวัดทองคายใช้เวลาเดินเอ็กซ์พิดเดชันกันจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาบ้านแล้วบ้านเราได้สังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าคิดน่าเป็นห่วงพุทธศาสนา มีสิ่งหนึ่งที่สะเก็ดใจให้เกิดความรู้สึกคือโมบ้านแพนดินธรรมแพนดิน ท, นนทองถ้าเดินทางผ่านเขตที่เว่าโมบ้านแพนดินธรรมแพนดิน ท, นนทองถ่าของจังหวัดสกลนครแล้วก็ไว้ใจไม่ได้ในเขตจังหวัดสกลนครถ้าเข้าเขตจังหวัดอุบลราชธานีโอเคสบายมากเริ่มตั้งแต่นิคมคำสร้อยเป็นต้นไปประชาชนตื่นเนื้อตื่นตัวเห็นพระมาเยอะๆโอุ้ยเดินผ่าน ในหมู่บ้านวิ่งกันเอาน้ํามารอรับในเขตอําเภอเราพยายามหลบเหล็กตลาดแต่ประชาชนก็พอเห็นพันเดิมผ่านเนเอาน้ําแข็งมารอ น, นั่งประนบเหมือเราต้องยืนให้พร อ, อวยพรแล้วก็สอนธรรมะบ้างเล็กน้อยประทับใจในสัทธาของมหาชนแต่ถ้าบ้านแป่นดินธรำเป่นดินทองเขตจังหวัดสกลนครอําเภอไหนก็ตามใจเถิดโอ้ยไว้ใจไม่ได้แต่เขตสกลนคร อย่างนี้ไม่ใช่ประจานตัวเองเดินก็ไปถึงหมู่บ้านตัวจะเข้าบ้านป้ายเบลเลอเลยแผ่นดินทมแผ่นดินทองตัวเท่ากับบุญตัวหนังสือโคดีใจว่าเราคงจะได้เห็นเพื่อนร่วมพุทธศาสตร์าสนาของเราผู้ชื่นชมอยู่ในคุณศิลคุณธรรมบ้านเมืองคงจะสงบร่มเย็นแน่ๆบ้านนี้ที่ไหนได้เดินเข้าไปหน่อยหนึ่งควายตื่นพระเวรพระว่าวิ่งเชื่อขาทานหมู่บ้าน บ่านึกในใจควายบ้านเป็นดินทมเป็นดินทองนี่ชอบตื่นพระมืันเหมือนควายบ้านอื่นพอเดินผ่านก็ไปอีกหน่อยมา้าวิ่งก็มาเป็นฝูงเห่าพระกรรมาฐานว่า<ะ>มาบ้านเป็นดินทําเป็นดินทองให้เราเป็นอย่างซี้นี่คิดในใจอย่างนี้พอเดินเลยไปหน่อยเข้าไปในหมอกบ้านถึงทางสามแยกน่าจะเป็นสามแยกมีร้านค้ากองทนุน พอจะมาไปกันเยอะยี่สิบก็เข้าไปถามคนที่ขายของร้านปองทุนนอนอยู่แต่เด็กขาสบายอยู่ถามว่าโยมวัดบ้านเราอยู่ทางไหนมันค่ําแล้วอยากจะแวะไปพักมีกี่วัดมีสองวัดนอนพู้กับพระสบายวัดหนึ่งอยู่ตรงนั้นวัดหนึ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็นึกว่าโอ้ชาวบ้านแผ่นดินทําเป็นดินทองนียเป็นอย่างนี้ ไม่ค่อยอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักเอสพีเอทิพส์แอชันแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลสิ่งของกิจกรรมอะไรเลยเ อ, อ๋อแข็งเกิดบ้างจริงๆในที่สุดก็เดินไปเห็นวัดโบอรล่ เ, รเลยก็แวะเข้าไปมันเหนื่อยพอเดินกันมาตีนแตกเท้าพองหมดแล้วไม่ได้ใส่รองเท้าวแวะเข้าไปในวัดคิดว่าขึ้นไปกราบพระประธานะให้ดีๆระวางบริขารไว้ข้างล่างและจะกราบท่านจะเอาว่ากับท่าน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 ตามท่างกัไปในกุติคูบาอาจารย์โอ้ยขอขาบขอไหว้เน้ขอหน้อยเพราผู้ข่าทั้งหลายเดินทางมาใจาข ม, มืดขอซส้มีแห้งนําแน่ท่านไปนั่งรวมกันอยู่ที่เตียงอันหนึ่งตั้งสี่องค์ไม่รู้ว่ากลัวหรือว่าตื่นเต้นหรื อ, อยังไงไม่ทราบมวนบุรีแล้วขี่ไว้อย่างไม่จดเราก็กลาบลงไปอย่างงดงามบอกว่าพวกผมขอแสดงความเคารพเดินทางมาถึงนี้ขอพักผ่อนด้วยนเหนื่อยใจจริงก็อยากจะนอนด้วยนะั่นแหละ ท่้นก็ไม่ว่าอะไรในที่สุดเราก็ไม่สามารถจะโยต์ที่นั่นได้แล้วก็ได้ออกจากวัดนั้นได้กินน้ำํำดิแม่ชีเอามาให้ตับสามะเนนน้อยๆแม่ชีบอกโอ๊ยอนซ่อ น, นเด๊ะจะเป็นมากหลายในที่สุดก็เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านม่โอภาปาา่าใสพระบ้านเป็นดินทําเป็นดินทองแลยไม่เหมือนบ้านอื่น ก็เลยย้ายออกจากวัดนั้นไปอีกวัดหนึ่งเป็นวัดป่าเนนน้อยวิ่งให้จีวรปลิวว่อนเลยพระก็เดินลงศาลาไม่ใส่ไม่คล้องผ้าน่งแต่ผ้าอังสระก็สะบงเดินเวียนอยู่นอกอาตมาต้องตามไปจับแขนไว้ว่าท่านเดี๋ยนี้ไปไหนนะพวกผมมาไม่ให้ทันลําบากอะไรหรอกน้ํำท่าก็มีกระติกมาเองด้วยมีกอดมาด้วยขอนอนใต้ร่มไม้อาศัยชายคาสักคืนวันนี้มันมืดมันค่ําความจริงเรา จะนอนที่ไหนก็ได้ในป่าชาหรือที่ไหนก็ได้แต่เราไม่อยากสร้างความแตกแงกไปที่ไหนมีวัดต้องพักวัดทําความเข้าใจกับพระสงฆ์งเจ้าเสพเซมานากันว่าบ้านเราเป็นยังไงเมืองเป็นยังไงซาตานาเราเป็นยังไงประชาชนจะได้เข้าใจกลางคืนคนมาจะได้เหตุให้ฟังด้วยเป็นการประสาศประกาศซาตานาไปในตัวถ้าเราไปนอนป่าชานอนในป่าทําเป็น เ, เข้งเข่งคืบคืบประชาชนก็จะลังเลไปขอเลขขอหวยข อ, ยขอเบอร์ ไปจังหันไปทําบุญเยอะๆพระในบ้านไม่มีอะไรจะกินมันสร้างความร้าวรานในสังคมที่ได้มีรอยร้าวเราเข้าประสานที่ไหนมีความชิงชังระโปล่วานความรักถ้าอย่างนี้บ้านมันก็จะอยู่ย็นเป็นทสงในเมื่อพระเองก็ยังทะเลาะ ก, กันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นหมเป็นคณะโยจะให้ประชาชนสามารถขี่กันได้อย่างไรคิดอย่างนี้ก็เลยจับแขนท่านไว้ไว้จะไปไหนนะผมไม่ไม้ท่านลําบากหลอกเขาโยอาใส่ร่มไม้ชายกาสะเคืนงกลางกดนอน น้ำก็มีจะไปกอกเองท่านก็เลยสบายใจคือนั่นก็เลยได้นอนบ้านเป็นดินทําเป็นดินทองบ้านเป็นดนําบลเบ้อเลยเธอคนสักคนหนึ่งจะลงมาหาพระก็ไม่มีสะเดงว่าบ้านเป็นดินทําเป็นดินทองของเรานี่ไม่เหมือนบ้านเอิญเช้ามาก็ไปบิณฑบาตมีคนใส่บาตรให้นับดูแล้วก็ได้โลหนึ่งพอดีคืออาหารพระเรามาเยอะเกื อ, กอบจะไม่ไหวก็พอได้กินโปรเรียนโปรเรียนไปไหน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 หาอย่างนี่ก็ไว้ใจไม่ได้เอกเหมือนกันอาจจะคุยเหมือนบ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองก็ได้เพราะฉะนั้นวัดนั้นไม่จําเป็นต้องยกป้ายวิปัตนากรรมาฐานหรอกเพราะหน้าที่ของพระก็คือฟุตจิตอธิจิตเตจะอาโยโขกกรําประกอบในทางทําจิตให้ยิ่งอย่างนี้มันก็ถูกต้องแล้วไม่ต้องยกป้ายมาคุยก็ได้หรอกนี้เราให้ฟังว่าแผ่นดินทํำแผ่นดินทองนั้นเราจะต้องมาทําความเข้าใจกับ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 เพราะเราเป็นลูกขุนบอลลมมาด้วยกันตั้งแต่อาณาจักรอ้ายลาวมีพุทธศาส t a n มาพร้อมกันตนทางภาคกลางภาคใต้แต่รับพุทธศาส tantra สวนภูมิในสมัยสังกายนาครั้งที่สาส่วนพวกอีสานนั้นได้รับพุทธศาส t a n t r มาตั้งแต่อพยพโยกย้ายจากนู่นอาณาจักรอ้ายลาวหนองแสตะริฟูทะเลสาบเอ๋อรหายลงมานุษย เราจงอยู่กันชั้นพี่ชั้นน้องอบอุ่นภายใต้อ้อมออดอันอบอุ่นแห่งศิลธรรมเสมือนหนึ่งเขื่อญาติอันเดียวกันมีระบบแห่งชีวิตลระเบียบของสังคมเรียกว่าฮีสิบสองของสิบสีสมัยโน้อนอีสานเป็นแผ่นดินธรรมถึงแม้ไม่เจริญแต่จิตใจนั้นอบอุ่นซึ่งทราบด้วยคุณธรรมำโน่นบ้านที่มีบ้านน้องต อ, องดองกันนักหนาเก็บใข้ได้ป่วยเฝ้ากันพลึกพับทั้งคืเช้ามาไทยไปทุ่งไปท่าไปป่าไปเขา ได้อาหารดีๆต้องเอามาฝากคนไข้สก่อนเพราะคนไข้ขลําอยู่กันเหมือนพี่เหมือนนอ้องต่อมาอีสานได้เริ่มเจริญเมื่อสมัยจอมพลสฤษดิ์ทนรัฐประกาศก้องอยทุกวันในวิทยุในเรื่องพัฒนาแต่ขอเราไม่รู้จักคําว่าพัฒนาตามพัฒนากา ร, าการประเทศจะสําเร็จลงได้โดยหลักสามประการคือหนึ่งความส า, ามัคคีระหว่างชนในชาติสองความขายันหมั่นเพียรในการงานสามความเชี่ยวชาญชํานาญในสาขาวิชาการต่าง รัฐบาลกำลังพยายามหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญในวิสาขวิชาการต่างๆมาช่วยงานของชาติแล้วได้ยินเขาบอกพักหนาเพราะชาวบนสระตธนละท่านเป็นคนอีสานท่านก็เลยโม่งมาอีสานเห็นว่าอีสานล้าหลังเพราะยังเป็นยักษ์หลับยังไม่ตื่นที่ไม่ตื่นเพราะไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนไม่มีภาวะสงคราไ ม, มไป ม, มีการล่าอาณานิคมการติดตอ่อกับภาคกลางยังตัดขาดตันอยู่สมัยก่อนโนนพอเริ่มนี่ปลุกอีสานใหญ่เลยยักษ์อีสานก็ยังหลับเริ่มจะตื่นปังโงปงังเงะขึ้นมา ในขณะที่ที่อื่นเขาตื่นและอีสานเรายังเป่าเสียงพินเสียงแทนขับกร่อมแดนอีสานผูผานสูงตา ง, งามเสียร ฟ, ฟ้าปลำนึเสมือนหนึ่งว่าเป็นอกของผ้าอีสานแม่น้ํำของโอ้ออดไร้รินได้อืดได้ดื่มได้กินกันอบอุ่นในหัวใจเสียงพินเสียงแทนกรมแดนอีสานลมพัดผ่านเชนอือพงแมงผูตอมดอกผู้สาวยิกแม่พุทธตัดมอนงอขึ้นผูแม่ห่างความโลกตาเด็ก น, น, นก่อนคือคนเส็นก่อนตาสวยน่อยสวยไงโอ้ยสนุกสนาน เมื่อสลิดเริ่มพัฒนามหมดช่วงเสล็ดมาช่วงถนอมมานี่มาถึงรุ่นคึกฤทธิ์ป่าโมดโอ้ถนนหนทางกศอชอถนนคึกฤทธิ์ทางคึกฤทธิ์ต่อมาก็มีรพรอช อ, อะไรเร่งกันบุ ก, บกเบิกอาแล้วรถเข้าไปโส่งหมู่บ้านอีสานตื่นตื่นไม่ใช่ตื่นตัวแบบมีสติแบบชาวพุทธแต่ตื่นแบบกระต่ายตื่นโต้ตื่ น, นถนอนอยา ก, กได้รถยนอยา ก, กได้มอเตอร์ไซ์ ทำยังไงจะได้ไม่มีขายไร่ค้ายนานี่มันตื่นกันมากก็ไปซื้อต่อมายุคเปมรม่ยนในนโซลานนไฟฟ้าเข้าสู่ทุกหมู่บ้านอีสานตื่นไฟฟ้าทีนี่ตื่นทุกโบภเวเหมือนคนนอนหลับหลับตกใจตื่นแล้ววิ่งชนต้นไม้ต้นไลยตกเหวตกข้วยไปเลยอย่างนี้เรียกว่ากระต่ายตื่นตูมไม่ใช่เตื่นด้วยสติปัญญาการพัฒนาทางวัตถุทําให้อีสานนี่ได้๋ตื่นกันมากขึ้นตื่นไฟฟ้า ถึงไม่จำเป็นก็เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องมีโทรทัศน์จำเป็นต้องมีพัดลมจำเป็นต้องมีตู้เย็นจำเป็นต้องมีวิทยุจำเป็นต้องมีวิดีโอไม่มีไม่ได้คนอื่นเขามีเราจะต้องมีไม่มีทำยังไงอยากแกได้ไม่มีเงินซื้อก็ต้องหาเงินมาผ่อนสมเน่ยไม่มีเงินผ่อนสมก็ต้องมีเงินดาวน์ซะก่อนถ้าเงินดาวไม่มีก็ต้องไปยืมเกษตรไปยืมสหกรณ์มีนี่มีเส้นเต็มหัวพลุนพลังยืมสหกรณ์ยืมเกษตรมาแล้ว เงินกู้ตัดไม่โทออกหรือแต่เ ง, งินกู้ก็ศาสตรกินหัวเอาแล้วบางบ้านยกบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งแอ้มยังไม่เสร็จมีฝาอยู่สามด้านหลังคามุงหญ้าครึ่งหนึ่งสังกะสีครึ่งหนึ่ ง, ง, ก ง, งยกเสาโทรทัศน์แฝงโทระทัดกันเถอะแล้วโอ้โ ห, โหอีสานตื่นเลือกเกินแต่นี่เป็นสินวันเสาร์วันอาทิตย์รู้จักเลือเกินแต่ก่อนวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้หยุดงานกันดอก ชาวไร่ชาวนาต้องไปทํางานทําการรู้จักแต่วันพระวันเจ้าได้ยินเสียงตีกองดึอกกองแรงยกใส่เก้าเท้าใส่หัวซาทุ่มวยมวยของสังโคบป่าวทําความดีเนี่มันสินวันพอดบาบุญได้หัวห่วงองมุย่าคู่เจ้าะปฏิบัติธรรมเทียรทำเป็นผู้นํำทองให้จิตใจได้แจ่มใสม้นที่หญิงอยากให้พอได้แบ่งกันกินก็หน้ามีสินรมอยู่นํากันได้ผลบ้านพีนี่บ้านหนองปองดองหักแกนถึงงามถูกห่าแขนว่านเอิดซอยกัน สมไยเกาะโน่นอีสานหาอยู่หากินอยากกินเห็ดภายกระตาขึ้นโคกอยากกินปา่าแบกแห่ลงน้ําได้มาเป็นหาเป็นค้อนมาเทใส่กระจารกระดง้งเรียกพี่เรียกน้องมาเอาไปอยู่ไปกินไม่ได้ซื้อไม่ได้หากันไี่อยู่กันอย่างนี้ในสมัยนั้นจิตใจดีงามมากรักตันฉันพี่ฉันน้องเรียกว่าแผน่นดิรทำแต่ยังไม่มีแผนินทองพอยุคสมัยที่จเจริญมานี่ตื่นไฟฟ้าตื่นถนนหนทางโอ้ ไม่รู้จักวันพระวันเจ้ารู้จักแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ไถนาอยู่กลางทุ่งแต่ก่อนไถนาไล่ไปควายไปได้ยินเสียงของม่อหยุดดึงควายหยุดปักคันไถ ย, ยกมือใส่หัวสาทุวันนี้วันพระจิตใจอ่อนน้อมอ่อนโยนในขณะที่กําลังโตดควายกาลังไล่มันอยู่ควายก็ย เ, เลยพลอยได้รับบารมีจากคุณน่ะทด้วย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 สมัยสริพัฒนาอ้าวไม่ใช่เวลายุคหาอยู่หากิานกลายเป็นยุคเฮ็ดอยู่เห็ดกินสร้างอยู่สร้างกินอยากกินหมูเห็ดเป็ดไก่ต้องเลี้ยงอยากกินปลาต้องขุดบอ่อเลี้ยงแต่ก่อนมีแต่หม oh ูแมวขี้ซีหน้ายาวๆหลังแอนแอนท้องรากดินพอถึงสมัยสตาร์เรดมีพันเบรรรรรริกพันอะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยต่อมาก็รู้จักกู รู้จักอยา ก, กินเห็ดก็ปลูกเห็ดเป็นสมัยก่อนไม่มีใครรู้จักปลูกเห็ดในช่วงนี้จิตใจก็ได้แคบลงซึ่งเราทำให้เสื่อมลงความจเจริญทางวัตถุมากขึ้นรู้จักเห็ดอยู่เห็ดกินชาวอุบลราชธานีแต่ก่อนหาอยู่หากินนาไม่ดีย้ายไปอยู่เมืองสกลนครไปอยู่ทั้งนครพนมน้องทายทั้งเมืองสกลนคร น, น้องหานฝากกองน้องหานถุนดินดนาําน้ำโสมปลาบวนบคือแขกคอยหางป้านั่งบอดคือข้างฝ่าลันเจเกริญห่องคือกวงลันเสียงไปทแม่เฮ้าว่าไฉ่ ย, ย้ายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องย้ายถึงยุกเห็ดอยู่เฮ็ดกินพัฒนาตนเองใส่ปุ๋ยใส่อะไรน้าํานาโคกขี้กระต่ายก็ ง, งามแสนจางงามคนอุบลก็เลิอกอพยพยก ย, ย้ายมาถึงสมัยพัฒนาแต่จิตใจแคบลงต้องซื้อกันกินขอกันกินไม่ได้แต่ก็ยังชั่วนหน่อยซื้อกันกินระหว่างคนอื่นส่วนหมู่ยากก็พอแบกงานกินพอถึงสมัยน้ําไหลไฟสว่างถนนหนทนทางไปมาทั่วกัน มีไฟฟ้าขึ้นกำลังตื่นกระต่ายตื่นตูมตื่นถนนต้องซื้อรถยนตต้องซื้อรถมอตาใจตื่นไฟฟ้าจะต้องมีวิดีโอต้องมีโทรทัศน์ต้องมีตู้เย็นพัดลมต้องดื่มน้ำโพลาริสโพล้ลอยอาวแลดิสทิวอเตอร์ต่มาคงบ้านนอกต้องไปซื้อน้ำกินขวดละสองบาท้ออยอีสานตื่นตูมทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นบูชา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 มีเกียนคันบะมี่ง่วพร้อมสิเอายังมาแกมีแต่เกียนคันบะมี่ไม่คำหัวสิงงับใส่ขิดนี่นี่หัวคันบะมี่ผมป่องจะเป็นห้างนกเป็ดป่องมีแต่หัวผมบระพร้อมเขาเสือเอิญว่าเดินเฮามีเฮ่างันบะมีพ่ายห่วงจะเป็นห้างพักบัวมีผัวคันบะมี่โรคหน่อยเขาเสืเอิญแม่หมันมีขั้นกันบะมี่ผัวสอนนอนนําเขาสิว่าเจ้าแล้วมีโลกหามีงอนโศเขาเสื่องเจิาใส่ทาง มีท่องกันบ่มีถ้ำฝ่อซีจานีมือหอยเถือแพ่งเอ้ยมีข้ามกันบ่มีอินอ้อยอ้อยไหวกะบ่อฟังลาเอ้ยแน่คนโบราณพูดไว้อย่างเนี้ยมีทองบ่มีถ้เฝ่าจานีมือหอยเถือมีข้ามกันบ่มีอินอ้อยอ้อยไว้กะบ่อฟังมีทองคือความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีแต่ไม่มีคุณธรรมนีรถเก๋งติดแอร์ปรับอากาศมีบ้านปรับอากาศมีเครื่องบินขีทุกคน แต่จิตใจะเล่าร้อนเหลือความอยากได้อยากมีอยากเป็นจ้องเอารัดเอาเปรียบกดขี่กบเหงิกวัวคนอื่นจะเอาเปรียบกลัวคนอื่นจะได้เปรียบกลัวเราจะขาดทุนกลัวเราจะเป็นผู้แพ้ต้องเป็นผู้ชนะยอมไม่ได้ให้อภัยใครไม่ได้ในที่สุดปเปรตโต๊กนรกในห้องแอร์เรียกว่านรกห้องแอร์โลกประสาทกินหัวเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้เรียกว่ามนี้ทองบ่มีทําโผล่จานีมือหอยเถ้าเจริญทางวัตถุแต่จิตใจมันต่ำสาม ไม่มีสินไม่มีธรรมจนไม่สามารถทําจิตใจให้สะอาดสว่างสงบเลือกเย็นหยุดได้แต่ถ้าหากมีธรรมไม่มีทมองก็ยังอยู่ได้คนโบราณบอกว่าเจ้าผู้นันในหมงสังมาหายยุ่งกัดเด่นอขออยผู้นอ่อ น, อนเปื่อยปา๋สาสร้างว่ามียุ่งตรองสักัญยงกัญญานเต็นทั้งมายืนตั้งเทียนของตระข้ามมากเมี่ยงสังเจ้าหาเบาไวของนักสังถือใดไปมาโดยงาย่ายคํามแหงเอ๋ยนี่หมายเขาว่า นอนในม่งสังมาไหยยุ่งตัดมีรถเก่งมีรถสิบล้อมีกิจกรรมการค้าธุรกิจใหญ่โตแต่ให้โลกประสาทกินหัวให้ความทุกข์บีบพันใจิตใจอาตมากินข้าววันละครั้งเดียวนอนอยู่ในกดนอนตามป่าตามดงเดินทุ ด, ดงไปพาพระเนนออกฟ้อมรบในป่าในเขาจิตใจสบายสบา ย, บายไม่มีความทุกข์บีบพันจะได้ขาดทุนแต่กำไรอะไรต่างๆใครจะเอาระไเอาเปรียบใครจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระครู เป็นเจ้าคุณอะไรไม่สนทางนั้นข้าเปเจ้าคอยที่จะตําจัดความเห็นแก่ตัวทําลายความยึดมัน่นถือมันออกได้เท่าไหร่ยิ่งดีทําลายอัตวาทุปปาทางความยึดมัน่นว่าเราดีเราเก่งเราเด่นเราดังให้มันหมดไปหมดไปอย่างนี้จิตใจก็สบายนอนในหมงเล็บมวยยุ่งกัดเจ้าผู้นอนเปื่อยป๋าสามบ่มทางจตหนี้ยุ่งต้อง่ทะเลประทัน สกัญโญไม่หย่านเต้นตังมายืนตั้งเทียงของตคขมหมักเตียงสังเจ้าหาบเบาไหวเต้นกันเหลือเกินมีอาการเหมือนกับจะวิ่งเต้นหลับแต่ตายใจมันไม่หลับนอนพิกไปพลิกมาฟ้าแจ้งจังปางวิ่งเต้นวิ่งเต้นวิ่งเต้นอยา่างไ้จะมีจะเป็นชีวิตมีอาการเหมือนกับจะวิ่งนอนโยมันกลาวิ่งในที่สุดสักโงก็หย่านเต้นฟั้งมายืนตั้งเทียงไม่ได้อะไรตายแล้วไม่ได้อะไรด้วย ของเขาขับมหมาเมี่ยงสังเจ้าหามบวายความปล่อยความวางความไม่ยึดมันม่นตื้มมั่นความเมตตาปานี้นเ อ, อื้อเฟื่อเพอแพรในจิตในใจไม่ได้ซื้อสักบาทไม่สร้างให้เกิดให้มีให้ตนเองมีความสุขของนักสั่งถือได้ไปมากโดยง่ายสิ่งที่เรานังงาน่งหาแสวงหานั่งเล่นไฮโลกันทั้งคืนยันสว่างไม่ปวดหลังปวดเอวนัง่งเล่นไพ่ดำมีกันยันสว่างตึกข้าวก็ไม่กินสูบุหรี่อบปอดลมควันกันอยทําได้ทําได้ แต่นั่งสมาธิดูลมหายใจช้ยๆ้วยทำไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้เสียเงินมีแต่สุขภาพดีๆทําจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสทําไม่ได้นี่ยงว่าของนักสั่งถือได้ไปมาโดยง่ายนั่งเล่นไผ่ทั้งคืนยันสะวางเล่นให้โลยันสะวางกินเหล่ายันสะวังโอ้เต้นลำวงยันสะวางได้ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรแต่นั่งสมาธิหรือว่าพิจิตพิจารณาศึกษาค้นคว้าไต่ตองสิ่งที่ดีที่งามไม่ได้เพราะฉะนั้น เราจะต้องหยุดการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางวัตถุกันได้แล้วหันมาพัฒนาทางจิตใจมิเช่นนั้นมีทองบ่มีทำฝอยจานนี้เมื่อหอยเถ้ามีข้ามกันบ่มีอินอ้อยอ้อยไว้สีบอสฟังเพราะในสมัยนี้สมัยซื้อสมัยขายอย่างกันตื้อย่างกันขายอย่างกันอยู่อย่งกันกินที่อยู่ที่กินของตนเองต้องซื้อ ปีต้องมาเสียค่าภาษีค่าใบค่านาค่าเรื่องค่าชาญอะไรต่างๆเลยว่าซื้ออยู่ซื้อกินแย่งซื้อแย่งขายเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าหากขาดคุณทําและโลกจะกลายเป็นมิจขสันยีเอารัดเอาเปรียบกันความทุกข์จะมากขึ้นในสมัยโบราณมีความสุขใจแต่ไร้ความสุขทางตายสมัยนี้มีตู้เย็นอยากกินน้าแข็งอยากกินน้าร้อนไม่ต้องกอ่อไฟเพียงแต่เสียบปลั๊ก เย็แต่พุชปุ่ตนเท่านั้นแก๊กเสร็จเรียบร้อยมีน้ําแข็งมีตู้เย็นแต่จิตใจเร่ารอ้อนเหมือนตกนรกในห้องแอร์มีไฟฟ้าสว่างสวายจิตใจเมือ่อหมอน่นไม่รู้จะบาบุญคุณโทษประโยชน์และมีใช่ประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรเจริญให้เกิดให้มีในชีวิตในสังคมไม่รู้ไม่สนใจบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมีใช่ประโยชน์ไม่สนใจวัดวาศาสนาก็ให้ได้อยู่ไปวันวันไหนที่สุด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 แล้วก็จะไม่รํารวยอย่างนี้ญี่ปุ่นมีศาสตร์พุทธในจิตใจในชีวิตประจําวันไม่ใช่อยู่ในวัดไม่ใช่อยู่ในพิธีรีตองเขามีทิฏฐามิกถะมีอุทานะมีความขายันมีอาภะขะมีความไม่ฟุ่มเฟือยและก็มีสมาชีวิตาการประหยัดแล้วเขาก็มีกัญญาณมิตรตาไม่เสพคบกับเรื่องความชิบหายอบายมุกอย่างพวกเราพวกเหล่านี้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 อัฐบาลพยายามวิ่งทุกยุคทุกชั่วมเพื่อจะพัฒนาประเทศให้ทันเกาหลีให้ทันญี่ปุ่นแล้วก็มาคุยว่าเป็นนิกเป็นเน็กก็ยังไม่ได้จะว่าวป็นนนิกนิก็มันจะคำว่า uh, newly industry country ประเทศอุตสาหกรรมใหม่อาจจะมาคิดว่าเอาให้มันเป็นแค่เน็กก็ได้เรียววา new ้อเม c ิกันเจอคันประเทศกเกษตรกรรมใหม่ก็แล้วกัน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 อาริทาวาระเอฟัดพายออกมาสู่แผ่นดินอินเดียได้แม่น้ํำคงคาเน้น้อยไม่โตเท่ากับแม่น้ํำคงของเราแล้วแม่น้ํำคงของเรากับอีสานนี่ฟัดพายเท่าไหร่มันก็ไม่หมดถ้าจะทำกันจริงเอาละเลยเออกมาทั้งอีสานเขียวไปเลยที่นี้แค่ดินทําเป็นดินทองที่กําลังจะพูดก็คือการพัฒนาทางวัตถุและจิตใจให้มันพร้อมกันเดี๋ยวนี้วัตถุได้ล้าหน้าจิตใจไปคําว่าแผ่นดินทําคืออะไร แผ่นดิน hey, ทําแผ่นดินทองนี่คืออะไรทําไมจ exactly? ah? there, no? ึงต้องมาทําแผ่นดินทํำแผ่นดินทองและจะทําแผ่นดินทําแผ่นดินทองนี้เพื่ออะไรและจะทําโดยวิธีใดตั้งคําถามให้ชัดเจนลงไปว่าอะไรทําไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดแผ่นดินทําแผ่นดินทองคืออะไรแผ่นดินทําแผ่นดินทองคือแผ่นดินที่เจริญทางวัตถุและจิตใจทานั้นหมายถึงศีลธรรมจริยธรรมส่วนทองนั้นหมายถึงวัตถุเทคโนโลยีและพวกเมทิเลียนอะไรต่างๆพวกนี้ส่วน แผ่นดินทำแผนดินทองนี่ทำไมจึงต้องมาทำแผ่นดินทำแผ่นดินทองให้มันมีโครงการนี้ขึ้นมาทำไมก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่อยู่ได้เพียงแต่กายมีความสุขถ้าหากจิตใจยังมีความทุกข์มันจะตกนรกไหนห้องแอร์เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกดขี่กดแพ่งเท้นฆ่าฆ่าขมขืนข่มคืนแล้วฆ่าอะไรขึ้นมาโลกไม่เชื่อฟังพอแมรู้สึกไม่เคารพครู บ, บาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเ บ, บียบียดไหนกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์เพราะทุกคนไม่มีคุณธรรมจิตใจมันไม่มีคุณธรรมจึงจำเป็นจะต้องพัฒนา คุณนะทำให้เกิดมีในจิตใจคำถามได้ ว, ว่าทำมาจึงต้องมาทำแผ่นดินทำไปดิน้อยให้เกิดขึ้นมันก็มีคำตอบอย่างนี้และจะทำเพื่ออะไรเพื่อความสงบสุขของสังคมและความสงบของแต่ละชีวิตแต่ละครอบครัวในเมื่อแต่ละครอบครัวได้ละชีวิตสงบขึ้นสังคมก็สงบด้วยเพื่อความผาสุกทุกดวงใจณนะแผ่นดินณผื น, ะนแผ่นดินไทยแผ่นดินทองอันนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำโดยวิธีใดนี่สำคัญ ว่าจะทําโดยวิธีใดเราต้องมาทำความเข้าใจว่าเราจะนาสังคมของเราไปสู่แผ่นดินทําแผ่นดินทองกันโดยวิธีใดอาตมาอยากจะพูดว่าเลิกพูดได้แล้ว น, น, นิกนิกนินั่นควรจะให้เป็นประเทศแผ่นดินทําแผ่นดินทองเลิกพูดได้ว่าอินนิวรีอินดัสเทรียลคนที่ควรจะต้องเป็นนิวรีโนเวอร์ไมค์คนที่ควรจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ใช้ก็ว่าอย่างนี้จะดีไหม อาตมาอยากจะใช้คำอย่างนี้คือประเทศที่มีจิตใจสูงใหม่แต่ก่อนมันมันเคยมีแล้วมันก็หายไปที่จะมาพัฒนาให้มันสูงขึ้นมาใหม่เอาอย่างนี้เดียวกว่าเราจะทำให้บ้านเราเมืองเราเป็นแผ่นดินทาแผ่นดินทองขึ้นมาได้โดยวิธีใดนี่เป็นสิ่งที่จะต้องพูด ก, กันคนโบราณท่านไม่เคยหลงทางถึงขนาดทุกวันนี้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 เดี๋ยวนี้เรากําลังเหยียบไฟที่สองทางสาวาง่างทางจิตใจทางปัญญามากจบป ร, ริญญากันเป็นแถวแต่มันมีปัญหามันแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาตนเองกันไม่ได้อย่างคนโบราณมาอัศจรรย์เกแขหางเงี้ยงย่ า, ยาสงังมาดห้องนงั่งบัตรกระตายหางก่อมๆสังมาไดนั่นงห้องคนโบราณไม่จบป ร, ริญญาแต่บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุ่มเดีย๋ยวนี้จบป ร, ริญญาเป็นโรคประสาทเยอะผู้คอตายเยอะว่างงานเยอะขาตัวตายเยอะอะไรต่างๆพวกเนี้เพราะฉะนั้นพราะอะไร เพราะเราล้มทางล้มทางคืออุดมคติของสังคมสังคมจะต้องมีอุดมคติคือเป้าหมายอันสูงสุดของสังคมจะต้องไปตรงนั้นอุดมคติสูงสุดของสังคมชาวพุทธนั้นก็คือแผ่นดินรมแผ่นดินทองแต่เดี๋ยวนี้เราเรียกคําใหม่เท่านั้นเองแต่เก่าเขาเรียกว่าแผ่นดินโลกภระศีอ่าน อ้าวทาไมจริงเก่กาวอย่างนั้นทันแต่ลายอาจจะไม่เชื่อคนโบราณท่านตอกย้ํากันทุกปีเรื่องแผ่นดินทําเป็นดินทองคือความเจริญทางวัตถุและความเจริญทางจิตใจให้มันสมดุลกันอย่างเรื่องเอาบุญพระเวสสันดรแต่ละปีนั้นคนโบราณตอกย้ําสังคมโรคภาษีอ่านโลกภาษีอ่านคือโลกที่เจริญบอกแผ่นดินเรียบเป็นหน้ากองแม่น้ําเต็มเปลี่ยมฝั่งนกกาไม่ต้องกลมลงกินให้ปวดคอ แล้วน้ำไหลขึ้นไหลลงข้างเดียวเพราะเป็นดินมันเรียบมันไหลไปไห ล, ลมาเฉยๆใครอยากจะไปทางเหนือทางใต้เพียงแต่คัดเรือเข้าลันเวล์มันก็ไหลไปเองพ้องกันนั้นยังไม่มีนายทุนไม่มีกรร ม, มกรไม่เรียกร้องสไตค่าแรงไม่ต้องหยุดรถไฟไม่ต้องอะไรต่ออะไรกันทั้งนั้นมีแต่ความสงบพร่มเย็นมีต้นไมกกน้การบ้าพึ่งเกิดขึ้นสี่มุมเมืองใครอยากจะได้อะไรอธิฐานจะออกดอกมาเองพร้อมกันนั้น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 สีไปวอกความสวยงามอารยะไปว่าความรุ่งเริงจำเริญเมตตายะไปบอกมิตรภาพและเมตตาธรรมสีอริยเมตตาใจไปบอความสวยงามรุ่งเรองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมจะให้มิตรภาพเกิดมาต้องมีศรัทธาไว้ใจกันได้ให้อภัยกันได้ไม่มีใครรักกันแน่พูดแล้วไม่มีการโกหกกันแน่และไม่มีใครร่วงเกินสิ่งที่ตนเองรัก ไม่ไว่าจะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นเมียซึ่งกันและกันไว้ใจกันได้เข่าตามต่อออกตามปาตู่แล้วไม่มีใครเบียดเบียนเข้นข้ากันไม่มีใครเมาเหล้าเมาเฮโรอีนกัญชาทินเนอร์ยาฟินไม่มีใครทําลายสติปัญญาตนเองให้เป็นบ้ามิตรคนดีเแถมบ้านเตใมเมืองอย่างนี้มันก็เป็นมิตรภาพเกินมาสวยงามด้วยมิตรภาพแล้วฟังพระเวสสันดรมีแต่เรื่องเมตตาปานีหัตยังถ้าแตย่ตยังจกคุ้งมังซังปิรุทิรังปีจะททยังกายยังซังเวตวายจะฮิโกจะเยมามัอง พระเวทสันดรพูดอยู่ในกันหิมาผ่านวาผู้ใดจะมาขอดวงตาขอหัวใจเราได้ยินเราจักให้ขอตัวเราไปเป็นคนใช้เป็นทาสเราก็จักไปนี่คือความเมตตาถึงที่สุดเราฝังพระเวทสันดรให้ครบสิบสามกันแล้วก็เอามาไว้ในจิตในใจเราสักห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นไม่จะมีเมตตาปานี้ต่อกันต้นไม้แต่ละประพฤกต์ก็เกิดขึ้นคือต้นเมตตาต้นป่านี้บ้านหนึ่งมีหนึ่งพันครอบครัวบ้านหนึ่งมีคนหนึ่งพันคนต้นไม้แต่ละประพฤกต์เกิดขึ้นมาหนึ่งพันต้น อยากได้ใครไม่มีขายแข่นเอาของผมไปก่อนจ้องที่จะช่วยเหลือเจือจุนกันสัปปายนี่คือแผ่นดินทําและแผ่นดินทองของคนโบราณเขาวังอะนรนี่นแต่ที่นี่มันไม่เป็นอย่างนั่นประเทศพวกคอมมิวนิสต์อย่างคานมากระดีเขาก็เขียนทฤษฎีขึ้นมาเพื่อแผ่นดินทําแผ่นดินทองแต่คนคนแรกพระพุทธเจ้าของเราท่านนพูดเรื่องโลกภาษีอ่านขึ้นมาในในในจักรวติสูตรที่ขณิกายมหาวัคเล่มที่สิบนั่นท่านก็พูดเรื่องนี้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 ในที่สุดมันทําไม่ได้คนมันมีกี่แหลก น, นั่นไม่ยอมรับคนที่จะเอาเปรียบกันมีนายคานมากก็เลยมัดปรับปรุงเอ็ทิสต์ทิสตีนี้ขึ้นมาซะเอามาเป็นทิสตีคอมมิวนิสต์คือลัฐที่คอมมูนต้องมาเป็นอย่างเดียวกันคนมั่งมีก็ต้องเอามาเฉลี่ยให้คนยากจนไม่ต้องมีนายทุนไม่ต้องมีกรรมกรในที่สุดก็บังคับกันตีรวด วาดให้มันเพียงมันก็มีการต่อสู้กับโลกก็เลยวุ่นวายตึงตังกันทั้งตาบีมันเป็นไปไม่ได้มันฟื้นกดธรรมชาติแต่มันขาดทิ้งทำให้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้เมื่อหาเนวก็ยังบอกคือกันใหม่ไงหน่อยในปาพันนาสนบฮอนลาวีกันดาท่อหาเรื่องมีทั้งต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่ใหม่ไน่อยเดระดาเป็นทันร่วงกันเป็นดงสูงงูกัยู่อย่างเสี่ยมีทั้งเกลือเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทางลมมีภูใหม่ทางพื่อนจอจี ไม่มูนี่มันจะห่างไกลกันความสัมพันธ์มันมีอยู่นั่งกันได้สมูนย่งย่างไหม่ใบหน้าก็เป็นหอมซุ้มโมฝงโมูน่อยแต่โป้คุ้มต้นไงให้ซุ่มเย็นมันอยู่ด้วยกันได้เม้อนติดต้นไงและต้นน้อยมันอยู่ด้วยกันได้สูมูนย่งย่างไหม่ใบหน้าได้เป็นหอมให้แกซุ่มโมหน่อยทั้งเผื่อในซุ่มเย็นพวกโมหน่อยก็คือดังเดียวกันได้ร่วมกันโป้คุ้มให้ซุ่มเย็นทั้งเงา ให้แกลูกโคเถ่ามาหันโตตุนใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายบางดังกันทั้งคมคนเฮานักก็คือดังเดียวกันเม็นเสือด้วยหรือจนก็อยู่นํากันได้คือยังยุ่งง่ายไม่ในภาเป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระเจ้าสมานเขาวางตางมันจะทุกอยากให้ห้องเหม็นน้ำพ่นเม็นเสือด้วยหรือจนกระเพิงผ้ากันได้คือจังเหื่อข้าแก่งเกียนเห็นให้เกียนแก่ง่ามมาไปหอดหนาเหื่อสิได้แก่เกียรติความอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยคุณธรรมทั้งคนรวยและขดจด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 ภาษีอริยะเมตไตรเทวบทได้พูดกับพระมาลัยว่ า, าศาสนาของภาษีอนันต์มิถึงแต่สุขีบอหันมิาศาสนาใดเปรียบฝุ่นปานใดอันบฝนตกหกไหลลงเปียกสุมชิบหาเมื่อฝนเท่งแหล่งลงนี่หมายความว่าสิบห้าวันฝนตกนั้นหมายถึงสิบห้าวันจะต้องไปจําสินให้ใจิตใจเยือกเย็นเหมือนน้าฝนอันเมตตาปานนี้จะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟาก ฟ, ฟ้าสุลาลายสุดแดตึ เมฝนตกหนักกระตกแต่กลางคืนบอลตกกลางเวนเปียกขํามหัวหน้าฝึกตาเสียเ่ยวเคี้ยงงามอ่อนๆไข่กับอาหอมกลุ่มคู่ย่ำหมายขบานในเวลากลางคืนฝนตกนั้นแผ่นดินโลกอัสสีอ่านจะเต็มไปด้วยกลิ่นไม้ตลบอบอวลของดอกไม้มันหอมเพราะฝนตกสิบ้าวันแต่ตกกลางคืนหมายถึงจิตใจเราจะต้องจำสิ่งตัน สิบห้าวันมีสินในจิตในใจอบอุ่นเยือกเย็นพร้อมกันนั้นในเวลาต่างคืนนั่งสมาธิให้จิตใจสงบระมัดพิจารณาเพื่อรวมทุกเกอแก่จิตตายด้วยกันนั้นเป็นเพื่อนกันไม่ควโกรไม่ควรเกลียดไม่ควเกลียดควรชังควรเมตตาปานี้ต่ตอกันนี้เรียกว่าฝนตก ต, ต, ต, ต่างคืนบ้านอยู่ไก่บ่อกไก่พ่อไก่บินเถงง้อกล้วยฟุงอยู่กินย่างหากินหนามในน้องเบิงบวกสางและหมาสิกินหยาห้อมกัน ว่ามีโจโลโหายลักลอบเอาของง้อหวยป้าปล่อยไล่มีเหลี่ยงอุตตะกังหนำในน้องบึงบวกเต้มอยู่เลยเสมอดามฝั่งคู่ไม่มีขจรหามอยน้ําเต็มเปี่ยมฝั่งของหมายถึงน้ําใจที่เต้มเปลี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ไหลขึ้นข้างหนึ่งไร้ลงข้างหนึ่งได้เท่านี้พอใจเท่านี้ดีมาและสบายอีควดพอดีกันได้เท่านี้พอใจเท่านี้ไม่โลภมากจนเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับจนเป็นโรคกลับเพราะนี่คือโรคภาษีอ่านโรคความเจริญทางด้านจิตใจทีนี้ มันก็มีอีกว่าอันบะคนแกเถ่าขี่พญาาตโลศตาานาของปสีอ่านสีบ่มมี่พอดีมิจต์เบาวสาวจ่อยสวยนำปานเสียนเพ่จึงหวอดแต่ฝาสวรรค์แต้มแต่งลงคนเท่าคนแก่ที่ใ้ก็หนุ่มเน่นอยู่ด้วยสินด้วยทําไม่ใช่เถ่าแก่ตันหากับเขาเปิดมอสล้ําขึ้นมาเปิดผาตั้งแย่งสวัางในตาจังวะหัวแท้มง่าจังแต่งงาากันนาอายสักันโยงคงบังดีใจหาว่าผู้สาวสาน้อยลําเกี่ยวไม่มีผู้เท่ามีแต่ผู้โอ้ โอเอาไว้เคยเห็นท้าวยังเบาวเดชบริจากตายเดช ไ, ได้ยินสาวสำน้อยออกมาลำ้ำเปิดผ้าตั้งเป็นเชวบจะวาบอกขาขาวสาวลำเพลินขึ้นมาแล้วก็ขวัเคีขเข่ข้อเคียวขูดแก้วทาผ า, าดอย่างนี้ไมน่นี้ในโลกสีอา่านมีแต่พูดเท่ารู้จักสินจะทําเข้าวัดฟังทำจําสินเอาลูกเอาล้านเหล่านี้ทานชาดกให้หลกฟังเป็นตัวอย่างอัลวาลาชาเจ้ า, จาปกข้องเพื่อหลาบบอลอำหน้ากาคมเพ่งขาโมข้นมีจ๊ะปกปักปองทศรัตข้องเมืองถือสินทำเทียจริงจํามัน บ่มีปิดบังบังฉอบโกงกิน ก, กรมกอบข้อรับฉันเมืองนั่นสิบอบี่ข้าราชการไม่มีคอรับชันมีแต่เสลธรรมในกิดในใจเดี๋ยวนี้จะเซ็นแก๊กเรียวโอ้ชื่อของคนผิดแล้ว ผิดนามตะกุลพิดสกุลการันเข้ากันไม่ได้จะทําวีซ่าจะทำพาสปอร์ตไปต่างประเทศเอามาแปดร้อยบาทเขียนตัวเดียวแกะระเดียดต้องส่งไปกาส้วงหนักหนาเข้าจะฟากันเป็นพันเอาเงินนั้นไปส่งข่างวดรถเรือเอาไปซื้อเหล้ากินอยากนี้ขราชการกลายเป็นขราชโกงเอารัดเอาเปรียบเพาะไม่มีคุณธรรมโลกพิจิอ่านเป็นอย่างนั้นไม่มีอันวัตากับนกเขาเคยบะถือแก้วกันนุ ก, กับแมวคู่เว้นมีเว้นจอนฟอ่อนหน่อยกับงู บ, งบังเบียดเสื้อเละเนือ้อศัตรูเข่าเก า, าลัง แต่าบ่ามีพิษของตอนไร่กุมกันเขาจะมีปานี่ต่อกันขี่คอยศัตรูดั่งเดิมมากแปลเปลี่ยนสมสูก่กวนนอนกิ่งก่อมสังหายสูเสือ ข, ของจิตใจไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเอนเอมี่ไม่มีศัตรูมีเพื่อนกันทั้งนั้นโงเห่ากับพางพรกากระนกเขาเป็นเสี่ยวกันสบายสบายนี่เป็นความเปรียบเทียบอันมาคนในพืชหลอกลุมชาวสมพู้น่าสนต า, าปล่อยว่างไร่เถีงว่ามีการขายขาหาทุนหมุนเปลี่ยนบอเกี่ยวของสบายเหนือสูข้นพวดาไอ้อสายต้นการประพึกิเทว่า ทั้งผู้สาเพนเพ่พันถาเงินคำแกวพ่อยนิ่นนำคาพิสโพผอมหลายล้วนเกิดนำ้ำนี่ต้นไม้กัาระบับพลกหมายถึงจิตใจไม้ทั้งโลกที่จะเลินทางวัตถุคอยจ้องที่จะช่วยเหลือเจือจุนกันมีร้อยพันคนในบ้านก็มีต้นการบับเพล็กนิ่งพันต้นในหัวใจต้นรักต้นแพงต้นเมตตาต้นตานียต้นไม้ิงต้นเสียวเทยเคยหักในเจ็บในใจหักกันแตกกัน นิเสถวความเจริญทั้งทางวัตถุและจิตใจนั่นแหละแผ่นดินธรมแผ่นดินทองคนโบราณเรียกว่าโลกภาษีอานสีไปว่าความสวยงามอารยะไปว่าความรุ่งเริงจำเริญนิตับนิทเมตตจยะไปว่ามิตรภาพและเมตตาธรรมตรงสร้างให้มันเกิดมันมีขึ้นในเจตในใจของเรานี่คือโลกภาษีอารเดี๋ยวนี้เอาบุญพระเวทกันฆ่าวายไปสิบตัวแล้วก็จ้างหนังมาอีก จอหนึ่งสระสี่พันจามวัลโมมาอีกแปดพันคนหนุ่มจะดูหนังผู้เท่าจะฟังเทศผู้โอจะฟังลำเดี๋ยวนี้มันต้องแบ่งกันอย่างนี้ผู้เท่าผู้เท่าคือคนที่ผ่านโลกมานานรู้จักบาปบุญคุณโทษ ร, รู้จักวันพระเข้าวัดฟังธรรมจำศิลวันธรรมดาอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเหล่านี้ทานชาดกบาปบุญคุณโทษให้หลกให้หลานฟังกอมเ ก, มกวิญญาณโลกหลาน แล้วก็พาลูกพาล้านเขาวัดเขาวาเป็นหัวหน้าในการทำคุณงามความดีอย่างนี้จว่าผู้เท่าต่อมาเดี๋ยวนี้มันไม่ก่อยมีผู้เท่ามีแต่ผู้โอแล้วก็ผู้โผู่ผู้ผาผู้ตาติดในผู้ใจติดหมอขันผู้โอละเนอะบันไดระไปกรมูโลดเด็กน้อยเขายังไม่ทันซ้ำ หมอลำเขาจะลำสามทุ่มปูเท่าเอาคำหมากเอากระตามมาห้อยแขนส่ออุ้มสาตูงล้านน้อยไปก่อนนั่ก็ยังไม่คําไปใสและวไม่ไงผ่านล้านน่อยไปเบิงหมอลำเอาเด็กน้อยมาแลกหน้าล้านน้อยยังไม่เด็เบิงดอกมันนอนหลับไม่ไงก็ไปเบิงต่อไปพอเขาลำมาเกาะดีใจหลงเขาร้องไห้ก็ร้องไห้ด้วยเวลาเขาทําให้หัวเลาะออกหัวเลาะด้วยไหลน้ําหมากแตกข้างหน้าเสือเ้อแดงจะว่ายถูกแกนหลอน้นำหมากไปไงพวกนี้เรียกว่าผู้โอ ส่วนเท่าผู้ชายก็โอ้ตรงไหนแล้วก็ไปเปิดผาต่างแจงสว่างเมตตาหัวเท้มหน้าจันแต่งงน้าหน่นนอไอศกรีนงงโค้งปังปี้ผาบะเขาลําใส่ลูกไผ่เนียปูผัดามีเรียกว่าผู้โอผู้โพผู้ผาพาลูกพาล้านออกนอกหลู่นอกทางในสิ่งที่จะเป็นสิ้นเป็นธรรมไม่รู้จักลักษณะเช่นนี้เรียกว่าผู้โพผู้ผาคนโบราณเขาฉลาดผู้เท่าจะซ้อนธรรมะอย่างสมมติว่าคนตาย เขาเอาเข้าวตอกหวานไป เ, ข, นนไ เ, เข้าตอกแตกหวานน้ำหน้าลูกหลานถามมาวานให้ยังคอยไงพ่อใหญ่จะบอกว่าโอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยฝนตกมาหอยเธอพันเธอเขาตอกแตกเนี่ยมันตายแล้วคว่ำใหม่แล้วเห็นจ้าหนกับโบเกิดโบคือเขาเปือกธรรมดาคือก้อนกับผู้ที่ตายแล้วตายตา ย, ตายแล้วต า, ตายไปบบเห็นไงคือจัาไฟเหมาะแล้วคว น, นั้นฮะโบเ Career, ห็นเจ้าอย่ามั่วเมาหาน้าคนตายผู้ตกปลาหายน้าเหมาะกับเบื่องยิ่งที่ได้อุ่นแกงหาเรื่องทําเป็นปริศนาสอนลูกสอนหลานให้มีแนวคิด แต่ผู้โผโพผาโผล่ออกนอกทางมันงัวโผลควายโพพาเจีนแลนพาไถแลนดถามวานันที่ยังเลยพอไงวานห้ผีกินระวอยมันหอมนอกักบอยตัวลูกตัวหลานออกนอกทางลักษณะเช่น น, นนี้แหละคนโบราณนั้นท่านเอาบุญพระเวทสันดอนนั่นท่านทําถูกเดี๋ยวนี้อาจจะเอาบุญทีผู้เท่าจะฟังเทศอาจารย์สภพผู้นุ่มจะดูหนังแต่ผู้โอจึงเบิ่งหมอลํา ในที่สุดบุญบ้านเดียวต้องจ้างทั้งหมอลำจ้างทั้งหนังหนังสี่พันหมอลำแปดพันฟาดเข้าไป1มืนสองทีนี้อีกพวกผีพวกมัง ก, ก็จะกินเล่าข่าวควายซอยแสโซกแลลกบุญพระเวททีบุญกันถิ่นทีข่าวควายสิบตัวสิบตัวตั ว, ต ว, ต ว, ตวละสามพันห้าฟาดไปแล้วสาม0มืนห้าเสร็จแล้วก็จ้างหมอลำอีก แปดพันหนังอีกสี่พันเป็นหมื่นสองเป็น4ี่หมสองหมดเล่าไปอีกสิเท20บเทฟาก็ไปห้าหกมื่นกว่าบาททําลายเศรษฐกิจกของสังคมและบอกว่าอาบุญทเวทเอาอีกจนตายอีก5้าหมื่นข้างตายอีกห้าหมื่นชาติก็ไม่เห็นหน้าภระสีอา่านเพราะมันไม่ได้ใกล้เข้าไปพระเวทสันดอนไม่มีความเมตตาปามีบุญทีฆ่าควายสุด ต, ตัวอันนั้นมันบุญชูโชคกินชิบหา ย, ายวายบอดกินงวงกินควายยังไม่พอชูโชคสมัยใหม่ชูโชคจุกอวกาศ กินหมดเครื่องหลงเครื่องราชกินบ้านกินเมืองกินถนนกินรถเดินกินกาส้วงกินถนนกอสชกินอ๋อเมืองกินฝายสารพัมีชูทกสมัยนี้กินได้มากกว่านั้นยิงอาบุญพระเวก็ยิ่งจะมีการเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้นอาบุญที่เสียเงินไปห้าหมื่นหกหมื่นเงินจํานวนนั้นถ้าเอามารวมกันเป็นกองทุนของหมู่บ้านจะเป็นสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ทุนหน้าเลือดเอาเปรียบไม่ได้ถ้าอาบุญทีหมดเงินห้าหกหมื่นค่าหนังค่ามอล้ำค่า ซื้อควายมากินแล้วก็มาตีกองกินเหล้าเติมทุกเติมทุกเติมทุกรอบหมู่บ้านตายอีกแปดหมืนช า, าก็ไม่เห็นโลกภาษีอ่านแล้วก็ไม่มีแผ่นดินทำแผนดินทองเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเอาใหม่บ้านเราจึงจะไม่จากไม่จนเอาบุญทีถ้าเก็บเงินได้ห้าหกหมื่นนั่นเอามาสร้างเป็นกองทุนสากองของหมู่บ้านหรือจะเอามาทําสาธารณประโยชน์เดี๋วนี้มันไม่มีมันหมดไปที่เนื้อควายหมดไปที่เหล้า หมดไปที่หนังหมดไปที่ละครดังกล่าวแล้วแล้วให้อาจารย์สมภพประเทศไในฟังจะได้เรื่องอะไรก็ไปหาบัตรดากันอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใหม่เอาบุญกันอย่างนี้ถ้าจะเอากันจริงๆมันต้องทําให้มันเกิดประโยชน์นี้ไหมมีงานมันก็มีหนังมันก็มีละครมีหนังเล่เข้าไปในหมู่บ้านมีเงินให้ลูกให้หลานไหมลูกผู้ใหญ่สิบาทเด็ก5้าบาทไม่ค่อยในอีพอ่อคอยในอีแม่มีเงินบ่อแหลกเจ่าเพราะฉะนั้นแผ่นดินทําแผ่นดินทองนี่ต้องเริ่มต้นที่ผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นทั้งผู้หลักเป็นทั้งผู้ใหญ่ฝังลักมันให้ลมตีหอยหาถอดเสนอแง่งนหนาเบิง่งลมอยากจะไปหาว่าเอ้ยเอานังมาเด็กหน่อยอยากเบิง่งเอามอหลามาผู้เท้าอยากเบิง่งเรานี่เป็นทั้งผู้หลักเป็นทั้งผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่เฉยๆวิฉชนั้นจะเป็นไม้หลักปักเลนลูกเอ้ยหลานเอ้ยไม่มีบุญมันก็มีอยู่ลยแล้วหนังเอ้ยละครเอ้ยในธน ร, รพัฒน์ก็มีนังเล่ก็มีนังอะไรก็อโอ้ยสาราพั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 ไม่ใช่ว่าเป็นแต่อาจารย์เฉยๆเดี๋ยวนี้ครูไม่มีมีแต่อาจารย์ครูไปว่าผู้พูดให้ฟังผู้ทําให้ดูผู้อยู่ให้เห็นผู้ครูผู้ทํางานหนักแก่สังคมเป็นปูชนียะุขคนส่วนอาจารย์นั้นไปว่าผู้ฝึกมาลายาตกเย็นมาตั้งวงกินเหล้ายในโรงเรียนสดชื่นบานเมืึนดอกไม้บานยามเช้าเลยดูเบงมืดแล้วคือว่ายามเช้าดอกคดๆบานเย็นกระลึบๆตีกองตีพวกกระลำมังให้เด็กดูนั่นคือว่าอาจารย์ชี้เหล้ากิงเหล้า เล่นให้โลอยู่ในโรงเรียนเล่นการพ น, นันคูบาอาจารย์เป็นคนเล่นอย่างนี้เขาเรียกว่าอาจารย์อาจารย์แปลว่าผู้ฝึกมารยาทฝึกการการะทำกินเหล่าให้เขาดูเล่นให้โลเล่นไพ่ให้าดูอย่างนี้เราจึงไม่มีครูเดีนี้อาจารย์นั่นอาจารย์นี่หมดครูไปแล้วจะให้บ้านเมืองเป็นแผ่นดินธทมเป็นดินทองมันต้องเริ่มต้นครูบาอาจารย์ตามนั้นผู้ ใ, ใหญ่บ้าน แล้วข้าราชการทุกหมู่เหล่าพระสองฆอง์เจ้าทั้งธรรมยุทธและมหานิกายเลิกแห hey, hey, hey. ่แห่แไปกันได้แล้วโคออปเปรชั่นรวมแรงร่วมใจร่วมมือการตัดตัตจุดดือนอย่างเด่นชัดบนพื้นฐานแห่งพุทธธรรมน้อมนําประชาชนให้เข้าสู่ศิลปธรรมอย่างถูกต้องถ้าอย่างนี้แผ่นดินทำแผ่นดินทน้องไม่เหลือวิสัยโลกพระศีรษะไม่ต้องตายเน่าเข้าลงซามันเิดให้มันมงขึ้นมาในใจิตในใจในสังคมของเราอยนี้ก็ดัก นี่ทางศาสนาคริสต์เขามีคำสั่งสอนของพระเยชูสูที่ผูกกับศาสนิาของพระองค์ว่าะ The kingdom of g o ิน s in o u แ hand อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในมือของเราแล้วเราสามารถที่จะสร้างอาณาจักรของพระเจ้าขึ้นมาได้อาตมาอยากจะพูดกับพี่น้องชาวปุตวาอาณาจักรของพระศรีอ่านอยู่ในมือของเราศรีไปบอกความสวยงามดังกล่าวแล้วอารยะไปบ่าความรุ่งเรองจเจริญ เมตตาญาณแปลว่ามิตรภาพและเมตตาธรรมสีอาเรยะเมตตาแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจเจริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมมีสินะให้บริสุทธิ์ด้วยกันในหมู่บ้านแผ่นดินโลกขสัิวาสบ้านนั้นราบเรียบเป็นหน้ากองนอนไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดประตูลงก้อนก็ได้ผู้อะไรเชื่อกันได้มันก็เกิดโลกภพสุามีความเมตตาปบาณีต่อกันอย่างชัดเจนอย่างนี้ คนโบราณจึงมีเป้าหมายเอาบุญพระเวทสันดอดนั่นคือตอกย้ําอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเมื่อเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เราอยากเข้าใจใหมาว่าเป็นเรื่องใหม่เรื่องแผ่นดินธรำแผ่นดินทองเราได้นําสังคมเราหลงทางมานานแลว้วเริ่มพัฒนากเน้นไปที่วัตถุจิตใจก็เลยเชื่อชาปล่อยวางความเอารัดเอาเปรียวกันมากขึ้นใจต่ํามากขึ้นสมควรที่จะกลืนสู่เส้นทางเดิมที่พ่อแม่เราพามาพ่อแม่ของเราบอกว่า ขั้นจะได้ขี้ส้างต่างหฮมเป็นพ ญ, ญายาเสลืมชามหน้าผู้ขี้ข้วข้อจ่าขั้นจะไปท่างหนเดี๋ยวหลังของเก่าขั้นมาหลดุดถูดเถ่าเส้าถอนยาสุไป Back แบ็กทูเ s สิกแบ็กทูเบส Return to b a s i c กกลับคืนสู่พื้นฐานเดิมเถิดลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยฝรั่งก็ร้องเพียกเหมือนกันเดี๋ยวนีว่า b บ็กทูเเมืองฝรั่งเรินเต็มที่เกิดโลกประสาทกันมากฆ่าตัวตายมาก เสพยาเสพติดมากการศึกษาเลวร้ายลงขาดระเบียบขาดวินัยความรู้ก่ออนไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่ฝรั่งร้องเฮือก back to basic return to basic ความหมายเดียวกันกับคำว่าขั้นมลดถดเท่าเศร้าถนยาสุไปใครขั้นจะไปทั้งหนาเลี้ยวหลังของเกา๋าเดี๋ยวนี้ขี่ช่างกังหมเป็นอัญญาหมายความว่าขี่รถกีราถนน ท, นทนทางจเจริญรุ่งเรืองมีไฟฟ้ามีอะไร แต่เสร็จแล้วเราก็ลืมเช่าหน้าภู้ขี่คว้ความตาลืมจิตใจอันสงบเยือกเย็นลืมสินลืมทำมี้ต่แผ่นดินทองไม่มีทำเพราะฉะนั้นคนโบราณบอกว่าขั้นจะไปทั้งหนาให้เลี้ยวหลังของเก่าจะก้าวหน้าไปกับสังคมยุคพุทธปฏิเตินเอเดยุคสมัยใหม่ควรจะเลี้ยวหลังดูพ่อแม่เราบางท่านอยู่กันสงบรม่มเงาโอ้เรามีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วเพราะฉะนั้น ขั้นมาลูดถูดเท่าเศร้าถอนยาวสุไปลูกเอ๋ยเจริญขนาดนี้แล้ววุ่นวายกันอย่างนี้กลับเถิดลูกเอ๋ยพัฒนาจิตใจใหม่ให้มันตามทั น, นมีท้องบ่มีทําเฝอจานนี้มือห้อยเตือมีขํามบ่มีอินอ้อยอ้อยไว้สี่บอกฟังเมื่อเข้าใจได้อย่างนี้เราก็กลับเข้ามาพัฒนาจิตใจพะระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องพูดในฟังต้องทําให้ดูต้องอยู่ให้เห็นเลิกตื่นเพราะเวอร์ภาวะ เลิกตื่นแบบกระต่ายตื่นตูมวัดจะมีโทรทัศน์วัดจะมีรถยนต์วัดจะมีวัดมาอารามใหญ่ๆแข่งกันสร้างอาณาจักรจะ ก, กวาดแทงกันดูอย่างนี้ชาวบา้านจนกรอบยอบแย่แทบจะกินเลือเลิกวัตถุทางวัดอีกทีเหมือนกันหันมาพัฒนาจิตใจเดี๋ยวนี้จะสร้างโบสถ์ใหญ่ที่สุดประจำำยายรําอําเภอใหญ่ที่สุดประจําจังหวัดโอ้อะไรต่ออะไรแข่งกัน เมื่อหลายเล่าเราจะจดทางนี้หันมาพัฒนาทางด้านจิตใจกันสักทีเล่าพระคุณเจ้าทางหลายเอ๋ยพูดอย่างนี้อยาดาผมนะถ้าด่าว่านี่มลด่าเป็นกระบุงให้อภัยแล้วเรียบร้อยอเวโรโหมิเราเป็นผู้ไม่มีเวรมีภัยเราจะพูดกันในเรื่องแผ่นดินทมแผ่นดินทองต้องใจกล้ากันหน่อยเพราะฉะนั้นอาดามานี่กับผมนี่พูดทีในเขาก็บอกว่าด่าอย่างนั้นมันตั้งใจที่สุดเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประสาศาสนาเดี๋ยวตายไปแล้วจะไม่มีใครพูด ท่านทั้งหลายจะด่ากอดด่าได้ไม่เป็นไรเราไม่ถือโทษกอดเครืองกันพระทรงองค์เจ้าเป็นตัวอย่างพูดให้โยมฟังทำให้โยมดูจูให้โยมเห็นสอนโยมให้ขยันแต่พระนอนเวนโกนอยู่ธาทุาตาสอนโยมให้ประหยัดแต่พระอับพุ่งเฟือยมีทุกสิ่งทุกอย่างลูกซุริยอย่างนี้มเทรเรียลฤทิ์เดกอย่างนี้มันจะใช้อะไรได้สอนโยมไม่ให้เล่นการพ น, นันไม่คบคนชั่วเป็นมิตรพระบอกเลขเองซื้อเลขเองชี้หายวายว่ากันหมด แทนดินทาเป็นดินดองมันก็จะเป็นเพียงถ้อยคำที่้รู้เท่านั้นฟังไพลรดแต่ความจริงเกิดขึ้นไม่ได้อาละเวลา